โโโควท่านผู้ฟังที่เคารพ ก, กลับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมเรื่องอานิสง์แห่งการฟังพระธรรมทำการบรรยายโดยท่านพระอาจารย์ประหลสมทบปรากะโมวัดกลางอำเภอบางปรมาจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญท่านรับฟังได้ นับบัดนี้ครับวันนี้ก็ศึกษาคำสอนในครั้งที่แล้วได้พูดค้างเขาไว้ในเรื่องของเทวทหสูตรในครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะเข้าในเทวทหสูตรนั้นก็ารวบการฟังรธรรมนะในการฟังธรรมและการแสดงธรรมเนี้ถ้าจัดอยู่ในบุญกิริยวัตถุสิทิ ก็อยู่ในข้อของคําว่าธรรมะสวนะธรรมะสวนาก็แปลว่าฟังพระธรรมส่วนการแสดงธรรมนั้นเรียกว่าธรรมเทศนะฉะนั้นในลําดับแห่งบุญกิริยาวัตถุนั้นน่ย น, นะพุทธบริษัทเนี่ยพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยตนเองพวกเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราอยู่ในฐานะว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้ฟัง แต่จะเข้าในฐานะเป็นสาวกที่สมบูรณ์หรือไม่อันนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าได้บรรลุคุณธรรมหรือไม่นั่นถ้าปราศจากการฟังธรรมเนะีือปราศจากการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงมีพระมหากรุณาตรัสสอนไว้เราก็ไม่อาจจะประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องฉะนั้นนะนะ การฟังธรรมและการแสดงธรรมเนี่ยเป็นของคู่กันถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้หากว่าพระธรรมจะมีอยู่ประจำโลกหรือเราก็พร้อมที่จะรับฟังด้วยความยินดีแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้หรือตรัสรู้แล้วไม่ทรงแสดงธรรมก็หามีผู้อื่นแสดงธรรมได้ไมเมื่อไม่มีผู้แสดงธรรม ถึงแม้ว่าท่านจะยินดีในการฟังธรรมสักเท่าไรท่านก็ไม่มีโอกาสได้ได้ฟังว่าธรรมเลยด้วยเหตุนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าการฟังธรรมเป็นของยากเป็นของยากแม้การแสดงธรรมก็เป็นของยากทีนี้ในเรื่องของการฟังธรรมและการแสดงธรรมเนี่ยมีขึ้นในครั้งแรกในวันอาสารหาเยอะ เดือนแที่ป่าอิสิปตนมิกาทายาวันใกล้เมืองพระราศีที่เราได้ไปกันมาเนี่ยภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัสรุแล้วสองเดือนเนี่ยตัสรุในเดือนวิสาขะคือเดือนหกใช่ไหมผู้แสดงธรรมก็คือพระพุทธเจ้าผู้ฟังธรรมก็คือปัญจวัคคีทั้งห เรื่องที่ยกขึ้นมาแสดงในครั้งนั้นก็คือธรรมะจักกับปวัตนสูตรผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมนั้นก็คือว่าท่านพระโกนธัญญะเนี่ยหนึ่งในปัญจวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุพระพุทธเจ้าก็รง僧ประทานเอหีพิขูอุปสมปทา น, นับเป็นภาษาวกรรูปแรกในพระพุทธศาสนาทีนี้ต่อมาก็ พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ผู้ฟังได้บรรลุปเป็นผ้าอรหัน ร, รวมในพรรษานั้นก็ประมาณห0สิบรูปในปีแรกแห่งการตัดสู้จึงทร ง, ทรงส่งภิกษุผ้าอรหันตัสาวกเนือหสิบรูปในแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาแต่ะละโูกส่วนพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่อุลุเวลาเสนานิคมเพื่อไปโปรดปัญจวัคคี ไปโปรดอจดินสามีน้องพร้อมด้วยบริวารเป็นต้นสมัยที่พระบวมศ า, ศาสดาโปรดพระเจ้าพิมพิสารใช่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองแฟนมคตได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสมัยนั้นน่พวกอัญญาตเดรถีได้มีการประชุมแสดงธรรมกันในวันแปดค่ำสิบห้าค่ำสบสี่คมาก่อนแล้ว แต่ในพุทธศาสนานะไม่มีการประชุมแสดงธรรมในวันเหล่านั้นคนที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพวกเบลถีต่างก็ให้ความเคารพความรักในพวกเบลถีเป็นอันมากเยต่อมาในพระเจ้าพิมพิาสารก็ปริวิตกปริวิตกบอกว่าเอ๊ะพวกเบลถีเนี่ยจะมีพักพวกมากจึงได้กราบทูลขอให้พระบรมศาสดา ให้พระภิกษุสงเนี่ยประชุมกันในวันแปดค่ำสิบสี่ค่ำแล้วก็สิบห้าค่ำพระบรมศาสดาก็เลยทรงอนุญาตทีนี้ครั้นถึงวัน8ปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำพระภิกษุสอ์ก็ประชุมกันแล้วก็นั่งนิ่งๆไม่แสดงคำดูประชุมกันเฉยๆสมัยเยยกนั้นนะนะชาวบ้านที่เข้ามาฟังธรรมเมื่อไม่ได้ฟัง ก็พากันติเตียนโพรธนาว่าว่าพระบรมศาสดาจึงทรงอาศัยเรื่องนี้เป็นเหตุอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ในประชุมกันแล้วก็กล่าวพระธรรมในวันแปดค่ำบ้างสิบสี่ค่ำบ้างสิบห้าค่ำบ้างด้วยเหตุในเนี้ยตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดเนี้ยพระภิกษุสงฆ์จึงได้มีการประชุมแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทเป็นประจำในวันแปดค่ำ 1ิี่คำแล้วก็สิบ้าคำทีนี้ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ที่เล่ามาเนี่ยเป็นเรื่ององการฟังธรรมและการแสดงธรรมทีนี้ในสูตรสูตรหนึ่งนะถ้าเมื่อสักครู่ที่สนทนากันนะไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่สนใจฟังธรรมนะแม้แต่อามนุษย์ก็ยังสนใจในการฟังธรรมในปียังกรสูตรในคำพีสังยุตสากาทวะกเนี่ย ในยักขาสังยุทธ์เนี่ยในข้อความบอกว่าสมัยหนึ่งท่านพระนรุธะอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านนาณาถาปินทิกาเศรษฐีเขียดพระนครสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระนรุธะลุกขึ้นในเวลาจวนจะสว่างใกล้รุ่งเนี่ยแห่งราตรีคือพระนี่นะเวลาท่านลุกขึ้นแต่เช้าเนี่ยท่านพระนรุธะก็เหมือนกัน ท่านก็กล่าวบทแห่งพระธรรมอยู่คือเอาบทเพลงธรรมะมาสาธยายทีนี้ในขณะที่ท่านกําลังสาธยายบทแห่งพระธรรมอยู่นั้นครั้งนั้นน่ะนะนางยักษินีคําว่ายักษินีเนี่ยคือยักษ์ผู้หญิงนะีผู้เป็นมารดาของปิงปียังกระปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่าปียังกระอย่าอึกะทึกไปคือยักษ์เนี่ยปลอบลูกน้อย บอกลูกว่าเอาอย่าอย่าอึกกระทึกไปอย่าอย่าดังไปอย่างนี้พิสุกําลังกล่าวบทแห่งพระสัทธรรมอยู่ก็เรารู้แจ้งบทพร ะ, พร ะ, พระธรรมแล้วแล้วปฏิบัติข้อนั้นจะพึงมีประโยชน์เพื่อกูลแกเราเออถ้าหากว่าเราฟังธรรมนี้เราจําธรรมะได้เนะแล้วถ้าเรารู้แจ้งเนะเอาธรรมะเหล่านั้นมาปฏิบัติได้เนะโอจะเป็นประโยชน์เพื่อกูล จะเป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานหวังนั้นเเราสำรวมระวังในเหล่าสัตว์มีชีวิตไม่กล่าวเ ท, ท็จ ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่เราศึกษาทำตนให้เป็นผู้มีศีลดีนั่นแหละเราจับพ้นจากกำเนิดปีศาจนี้ได้เออตรงนี้อัตถกถาท่านก็ขยายความเพิ่มเติมท่านก็บอกว่านางยักษินีนี่อุ้มลูกน้อยเที่ยวแสวงอาหารอยู่หาอาหารนะ จนมาถึงที่อยู่ของท่านพานุรุทธาเถระในเวลาใกล้จะสว่างทีนี้ได้ยินว่าท่านพานุรุทธาเนี่ยกาวบทแห่งพระธรรมด้วยเสียงอันไพเราะแราวในเวลาท่านสาธยายคําสอนเนี่ยฟังแล้วน่าฟังนะื่องจาบางทีคือถ้าเวลาท่านสวดท่านสาธยายเนี่ยอักขระก็ไพเรายะมากยิ่งคาสอนของพระเจ้าอยู่คือท่านสาธยายเป็นภาษาบาลีแต่ว่ายักฟังเข้าใหญ่ ถ้าอย่างเราไปนั่งฟังก็บ่นสิวันก่อนสาธยายสัมพุโทโธที่บัตงเศษโทนิสินโนเจวามัชฌิมาเป็นตัวเจวามัชฌิเมก็สาธยายเพราะว่ามีคนหนึ่งเขามาได้ยินก็มาถามว่อท่านอาจารย์สาธยายฟังทพอดีอยงถามว่าแปลว่าอะไรเขาได้มาอย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่องแต่ยากมีฟังรู้เรื่องอย่างนี้น่าสะดุ้งสะเทือนกันนาะ เขาขนาดเขาเป็นกำเนิดปีศาจกำรรเนิดที่แย่กว่าเราะแต่ที่จริงถ้าจะนับว่าแย่กว่าเราก็แย่มังก่มัาจะว่าดีก็ดียักษ์ก็คือเทวดากลุ่มหนึ่งเทวดาชั้นต่ำยักษนี้หาอาหารกินกินของไม่ค่อยสะอาดแต่ถ้าเป็นยักษ์คราชานี่ห่อได้เนี่ยดีตรงนี้แต่อย่าอย่าปาหัตนาไปเป็นเลยนะโอ้โหก็ อัตถกถาท่านก็บอกว่าคือได้ยินท่านกล่าวด้วยเสียงอันไพลระก็เกิดเลื่อมใสก็หยุดฟังพอดีลูกน้อยก็ร้องพอร้องมาก็ปลอบลูกให้หยุดร้องด้วยโดยการที่จะตั้งใจจะฟังพระธรรมแล้วก็ยังเตือนลูกน้อยอีกว่าหากเราทั้งสองรู้บทเพลงพระธรรมนะที่ท่านแสดงแล้วประพฤติปฏิบัติตามนะแล้วตั้งอยู่ในศีลห้างงดเว้นจากปานาติบาตอธินาทานการเมสุมิจฉาจารเป็นต้นนะ ในที่สุดจริงๆเราก็จะพ้นจากอัตภาพความเป็นยากได้้การกล่าวบทด้วยเสียงอันไพเราะเนี่ยทตรงนี้น่าสนใจก็คือบอกว่าหากเราทั้งสองรู้บทแห่งพระธรรมใช่เช่นเวลาคำสอนแต่ละบทเนี่ยด้วยการที่เราไม่รู้อย่างงูสักครู่ที่เราสนทนายกันเนี่ยที่บอกว่าในอังคุตในคำภีสัยุตเนี่ยนธิวตาสัมยุตเป็นต้นนั้นในบทโอคาตรณาสูตร เทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมาเฝ้าแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระผู้ไม่มีทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบอกว่าบอกว่าพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าที่ที่บอกใช่ไหมต่นี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนท่านภูมิมีอายุเราไม่พักไม่เพียรข้ามโอค่าได้แล้วพอพูดอย่างนี้เทวดาฟังแล้วเทวดาไม่รู้บทเหตุปัตรพ คือไม่เข้าใจความหมายอย่างนี้เขาเรียกไม่รู้บทเหงพระธรรมก็เลยถามอีกครั้งบอกว่าพระองค์ไม่พักไม่เพียรเนี่ยข้ามโมคคะได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าพักชื่อว่าจมอยู่ถ้าเพียรชื่อว่าลอยอยู่เราไม่พักไม่เพียรข้าโวคะได้อย่างนี้วังเทวดาก็บอกอุ้ยนานแล้วนอเนี่ยที่ไม่ได้เห็นพระขีนาสวะผู้ไม่พักไม่เพียรข้าโวคคะได้แล้ว ขึ้นนานแล้วคือฟังแล้วได้บรรลุเป็นพระโสะดาบันทําประทักษิณพระพูนเมื่อภาคเจ้าแล้วก็กลับขึ้นสู่วิมานของตอนเองเรียบร้อยไปแล้วท่านเป็นพระโสะดาบันไปแล้วเรายังหามขยายบทกันไม่ออกกันอย่างเงี้นะคําว่าไม่พักนะคําว่าพักอยู่เป็นชื่อของกาลมาสุขขาลิกาเนยโยคคือการประกอบตอนเองให้หมกมุ่นในกามคุณอารมณ์ติดพัวพันติดแน่นอยู่ในความยินดีความเพลิดเพลินเป็นต้นนี้เลย คำว่าเพียนเป็นชื่อของอัตตกิรมธานุโยคคือการประกอบตนเองให้ประสบความทุกข์ความทรมานไม่พักไม่เพียนเป็นชื่อของมชิมาปฏิปทาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปราสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาชีวาสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้แปลว่าเขาเข้าใจบทแห่งพระธรรมฉะนั้นการกล่าวบทด้วยเสียงอันไพเราะก็ช่วยให้เกิดความเลื่อมใสได้เหมือนกัน เมื่อเริ่มใสแล้วก็เป็นเหตุแห่งการตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพอันนี้เราน่าชื่นชมนางยักษ์นะะแม้จะเป็นยักษ์ก็ยังมีความคิดรู้ว่าการฟังธรรมเป็นประโยชน์นะถ้าฟังธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ได้ฟังนั้นก็จะพ้นจากกำเนิดยักษ์แล้วก็พ้นจากทุกข์ได้ยักษ์ก็คือเทวดาชั้นต่ำยักษ์นี่ก็เป็นบริวารของเท้าเวสวร์ ส่วนที่นี้นอกจากการมีเสียงที่ไพเราะทำให้เกิดความเลื่อมใสแล้วยังมีเหตุอื่นอีกนะที่เป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสใอ้ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุขละบัญญัติบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปที่สูงรูปที่อ้วนไม่ผอมรูปที่มีอวัยวะสมส่วนรูปที่งามพร้อมที่ไม่มีที่ติ เธอเอารูปนั้นเป็นประมาณเลื่อมใสในรูปบุคคลนี้อาศัยการได้เห็นรูปสวยจึงเกิดความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นรูปสวยๆจึงเป็นเหตุนำมาซึ่งความเลื่อมใสได้ซึ่งคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะคนที่มีรูปสวยจึงได้กาไรตั้งแต่แรกนั้นคุณงามความดีค่อยมาพิจารณากันทีหลังใช่ใครที่มีรูปดีไว้ก่อนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ย คนมองปุ๊บนี่ศรัทธาแล้วคือคนที่มีรูปสง่างามเนี่ยนะบางทีมันมีจุดช่วยได้เยอะด้วยเหตุเนี้คนที่มีรูปสวยรูปงามจริงทําอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูน่าเลื่อนใสถึงแม้จะมีความไม่ดีอยู่คนก็มักจะมองไม่มองครับนี่เป็นอย่างงี้นะอให้คนรูปง า, งามเดินมาเนี่ยนะอาจจะทําไม่ดีหน่อยแต่คนก็อยากมองอันนี้มีจุดเด่นยลย อันนี้ประเภทรูเป็นประมาณนิกามีรูปเป็นประมาณในโลกสันนิวาสเนี่ยนะในบรรดากลุ่มบุคคลที่มีรูปเป็นประมาณไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เปรียบว่าเวลาคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนคนระัและไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ได้คิดอย่างอื่นหรอกขอให้ไปมองเพราะโรคพระพุทธเจ้าก็า <c oughs> ในมองแค่นั้นนะ่ะเขาชื่นใจแล้ว อย่าว่าแต่เพศตรงกันข้ามนะขนาดผู้ชายต่อผู้ชายนะมองพระเจ้ามีเยอะมองแล้วชอบมากบุคคลบางคนในโลกนี้ถือเอาประมาณในเสียงนั้นโดยการสรรเสริญคุณที่คนอื่นพูดในที่รับหลังโดยการชมเชยที่คนอื่นนิพนขึ้นแต่งขึ้นนะนีโดยการยกย่องที่คนอื่นพูดต่อหน้าก็ได้โดยการสรรเสริญบุคคล ที่ไปพารนาตามที่ต่างๆางกันไปแล้วจึงยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีประมาณในเสียงอย่างนี้ก็เรียกโคสัปประมาณิกานะเมื่อจากพุทธพจน์นี้แสดงว่าการเลื่อมใสในเสียงนั้นน่ยไม่ใช่เลื่อมใสในเพราะมีเสียงเพราะเนี่ยแต่เลื่อมใสเพราะได้ยินเสียงที่เขากล่าวสารเสริญคุณงามความดีของผู้อื่นคําว่าเลื่อมใสในเสียงเนี่ยเช่นว่ามีคนก็เอา ข้อประวัตข้อปฏิบัติของคนคนนั้นไปพูดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงนะเพราะว่าเราได้ยินมาจากเสียงพูดก็ถือว่าถือประมาณในเสียงหลายคนทีเดียวได้ยินการสรรเสริญของบุคคลอื่นทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เคยเห็นพูกนั้นก็ยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นอยากจะพบอยากจะเห็นอยากจะรู้จักอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะไม่มีใครเห็นก่อนหรอกแต่เขามาพูดกันก่อนเขามาพูดบอกว่า พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระอริยสงฆ์อุบัติเกิดเพียงเขาพูดแค่ น, นี้ยก็มีคนที่อยากจะไปเห็นนะอยากจะไปเห็นนั้นไปวางไปฟังธรรมได้ยินท่านสจรเสริญคุณความดีของพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพเลื่อมใสอย่างเราท่านทั้งหลายลาท่านปรารถนาหลายๆคนที่ฟังธรรมนัีน่ปรารถนาบอกว่าขอให้ได้ เข้าไปซบพระบาทของพระศาสดาได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักต์อย่างทั้งๆที่ตอนนี้เราไม่เคยเห็นเลยเนะี่ยใช่ไหมขณะแค่ฟังธรรมอย่างนี้เรายังนั่งปรลาดตน้บางทีมีโลปันละพระรูปของพุทธเจ้าแคนะั้นเราก็มองอยู่นั่นแหละมองคืออยากจะได้ยินคือได้ยินเสียงสรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้น คนที่มีเสียงเพาะเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ทำให้ใครๆเกิดความเลื่อมใสได้ถ้าใช้เสียงเพาะของตนไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเช่นนินทาว่าร้ายเป็นต้นนะฉะนั้นเสียงในที่นี้จึงเป็นเสียงเกี่ยวกับการสรรเสริญคุณความดีบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นความเศร้าหมองแห่งจีวอเห็นความเศร้าหมองแห่งบาเห็นความเศร้าหมองแห่งอาสนะเห็นความเศร้าหมองแห่งการทาทุกข ก, กิเล อย่างเคร่งคัดต่างๆถือเอาความเศร้าหมองนั้นเป็นประมาณก็เลื่อมใสในความเศร้าหมองนั้นภิสูจที่คลองจีวอนขําค่าชวนให้เกิดความเลื่อมใสเขาบอกว่าในบรรดาในบรรดาเคร่งคัดเนี่ยพระภิกษุผู้คงแก่เรียนปฏิบัติวินัยเคร่งคัด มักจะเป็นภิกษุที่มุ่งต่อการปฏิบัติธรรมทั้งสมถะและวิวปัสสนาฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราดูบอกว่าในบรรดาบุคคลผู้เศร้ามองหรือบำเพ็ญทุกขลักิริยาก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเป็นต้นประการที่สี่บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาถือประมาณในธรรมเหล่านั้น คือถือประมาณในศีลในสมาธิในปัญญาอย่างความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมะเป็นประมาณก็เรียกธรรมะประมาณิกาเนี่นะคือเป็นผู้เห็นคุณความดีต่างๆเห็นท่านผู้ใดมีคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในลักษณะอย่างนี้อีกในหนึ่งนะผู้ที่ถือรูปเป็นประมาณแล้วเลื่อมใสในรูปชื่อว่าเป็นผู้ มีรูปเป็นประมาณกล่าวเพียงได้เห็นรูปสวยๆก็ถูกใจในเรื่อมใสในรูปก็เกิดขึ้นนันกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2ผู้ถือเสียงเป็นประมาณได้ยินเสียงที่ชอบใจแล้วก็เรื่อมใสเกิดขึ้นกลุ่มที่3ก็คือว่าความเศร้าหมองเห็นความเศร้าหมองแล้วก็เห่งบาด ท, ที่วอนเป็นต้นและการบำเพ็ญท ก, กัติยาเกิดขึ้นก็เลื่อมใสประการที่4ก็ถือการประมาณในคุณธรรม อรตถกาถาทศายานท่านเปรียบเทียบบอกว่าโลกสัญยวาตนี้นะทั้งหมด ส, สามส่วนสมส่วนน่ะถือรูปเป็นประมาณสองส่วนไม่ถือรูปเป็นประมาณเขาบอกว่าโลกสามส่วนเนี่ยรูปที่เป็นประมาณในเสียงมีอยู่สองส่วนและไม่ถือรูปเป็นประมาณนั้นมีอยู่ส่วนเดียว เข้าใยถ้าหากแยกออกเป็นสามส่วนเนี่ยถือประมาณในโูกรูปสักสองส่วนเหลือส่วนหนึ่งนั้นประมาณในไม่ถือประมาณในโลกถ้าแบ่งสัตว์ออกเป็นห้าส่วนผู้ถือประมาณในเสียงมีอยู่สี่ส่วนไม่ถือประมาณในเสียงมีอยู่ส่วนเดียวถ้าแบ่งสัตว์โลกออกเป็นแสนส่วนเป็นหนึ่งแสนส่วนเลยนะที่ถือประมาณในธรรมเนี่ยมีอยู่ส่วนเดียวเท่านั้นโหโหตายเลย แสดงว่าในแสนคนเนี่ยนะมีคนถือธรรมะเพียงคนเดียวนับไปเหอะลองคิดดูที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะเอาคนหนึ่งแสนคนมนันนังคนที่จะเห็นคุณในการถือเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเหลว่าเลื่นะ้เนะเหรอเห็นความน่าเลื่อมใสในข้อปฏิบัติเป็นต้นอนั้ยนน่าเน้ั้นี่หคนที่ประพฤติปฏิบัติจริงๆเรนี่ยึงมีคนรู้จักน้อยม่ากน้อยฏริงๆน้อย โดยมากที่ไปรู้จักจริงๆมันไม่ใช่ไงให้ให้ที่อัธกถาท่านแยกเอาไว้เนี่ยจากแสนคนที่ถือถูกต้องมมีคนเดียวส่วนมากมักจะไปติดอยู่กับเพียงรูปสวยเสียงเพราะแล้วความเศร้าหมองของจีวรเป็นต้นนี่ในลักษณะอย่างนี้เออในในคำสอนเนี่ยผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเลื่อมใสในพระรูปของพระพุทธองค์หรือเลื่อมใสในเสียง และเกียรติคุณเลื่อมใสในความเจ้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่เป็นความเลื่อมใสที่ให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้เลื่อมใสได้ทั้งสิ้นอย่างน้อยก็ยังทําให้เกิดในสวรรค์ได้ถ้าอย่างสูงก็ทําให้เจริญสําเร็จมากผลนิพพานแต่ในสมัยนี้พระองค์เสด็จดับขันทบรินิพานไปแล้วเนีสาวกผู้เป็นพระรหารหรือผู้ที่เป็นพริยะบุคคลขั้นต่ําก็คงหาได้ยากฉะนั้น ในสคาทวักในคำพีสังยุทธ์นี่เนีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังบอกว่าผู้ที่ยังเป็นเครือหัสบริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนบนเตียงนี่เหยียดเบียนบุตรภรรยารูปไร้ายของหอมยินดีในเงินและทองยากที่จะรู้ว่าใครเป็นพระราหันพระพุทธเจ้าก็แสดงบอกว่าศีลน่จะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเนี่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าอาศัยเวลาเพียงเล็กน้อยก็จะรู้ได้ต้องอาศัยเวลานานจึงจะรู้ผู้ที่สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ที่ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาถึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้มีข้อแรกคือศีลนะว่าท่านผุทนี้จะมีปาติโมกสังวรศีลอินรีสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจะยะสันนิสิตาศีลหรือไม่เนี่ย ต้องอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็ไม่ใช่อาศัยเวลาเพียงเล็กน้อยต้องอาศัยเวลานานด้วยถ้าไม่สนใจก็ไม่รู้ต้องสนใจจึงจะรู้แล้วคนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะรู้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงานความสะอาดนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการะนานไม่ใช่รู้ได้โดยเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่สนใจก็ไม่รู้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ กำลังใจแหละไอ้คําว่าความสะอาดในที่นั้นคือพวกกายสุจริทเป็นต้นนะกําลังใจแหละคนคนนี้มีกําลังใจหรือไม่ก็ดูกันตรงไหนดูตรงไหนดิเขาดูกันตรงไหนกําลังใจกําลังใจพึงรู้ได้ด้วยคราวมีอันตรา ย, ยจะได้ยามประสบภัยเนี่ ย, เ, ยเกิดโรคร้ายก็ดี เกิดทุกข์ภิกขภัยวาตภัยโจรภัยอักขีภัยเนี่ยเนี่ยเจอภัยอะไรต่างๆเหล่านี้คนมีกําลังใจเนี่ยดูเดาดูตรงนั้ น, นว่ามีกําลังใจจริงหรือว่าถ้เครียดถ้าอเดือละเนี่ยอันนี้อันน น, น้นกำลังใจก็ดูตรงนี้มั่นใจไหมว่ามีกําลังใจมั่ น, นไหมมั่นใจนสามารถประสบกับเรื่องหนักๆได้ไหมยังไม่ได้ บางคนบอุว่ไม่อยากเห็นว่างั้นเลยกำลังใจไม่ค่อยดีเห็นแล้วเป็นลมมีมีคนคนหนึ่งนะเขาบอกว่าไปเจอคนหนึ่งก็ป่วยเขป่วยก็บอกว่าเขาไม่อยากไปแล้วถามทาทไมเพราะไปเห็นแล้วเดี๋ยวก็ใจเสียอย่างเงี้ยคือคนไม่มีกําลังใจคนแบบนี้คนขาดกําลังใจบอกไม่ดูดีกว่าใช่ไหมคือไม่ขอรับรู้ไม่เห็นตัแ้แต่แรกดีกว่า เห็นแล้วเดี๋ยวทำใจไม่ได้พ่ไอ้ตรงนี้คือไม่มีกำลังใจฉะนั้นกำลังใจจะพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายเนี่กำลังใจนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลานานไม่ใช่การเล็กน้อยถ้าเราจะรู้ว่าคนคนนั้นมีกำลังใจหรือไม่ต้องอาศัยการเวลาในการดูเนี่ยต้องสนใจจึงจะรู้ได้ไม่สนใจก็ไม่รู้ต้องมีปัญญาถึงจะรู้ได้ถ้ามีปัญญาสามก็รู้ไม่ได้ แต่ถ้าพระพุทธเจ้านี่เถอะรู้ชัดเลยกําลังใจเยี่ยมมากถ้าอย่างเราเนี่ยนะไม่ต้องอะไรหรอกอย่างเช่นว่าภาษาวกนี่นะของพระพุทธเจ้ามาลาพระเจ้าไปนิพพานเนี่ยลากันเป็นแถว ล, ลาชาวทุกวันเนี่ยโ อ, อย่างเราใจเสียหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็องนั้นมาลานิพานตรงนี้ก็มาลานิพานใช่ไหมใช่เอาเดี๋ยวเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายใจเสียหมด อย่างเราเราท่านทั้งหลายสมมุติให้ระลึกชาติได้เนี่ยสงสัยเป็นโรคประสาทหรือมัเพราะมันเห็นคนตายมาเป็นล้านๆเงี้ยไปเกี่ยวข้องกับใครตายหมดใช่ไหมสมมุติระลึกชาติได้โอ้โหกระทมเนะพอระลึกชาติพบคุณมาเอ๋อเคยมีญากอยาตกเกษียเคยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องล้วนตายล้มหายตายจาก แล้วที่ทะลึกลึกในอนาคตได้เอ้ารู้ว่าตนเองจะไปตกนรกเขาอยู่ ใ, ใจเสียใหญ่เลยโ้โหไม่ไหวเลยตอเนี้ยไม่รู้จะไปทั้งไหนแล้วใช่ไหมถ้ารู้ว่าจะตกนรกกับไม่รู้เนี่ยเอาไหนดีกว่ากันเอารู้ไว้สิดีมันจะได้แก้ไขใช่ไหมถ้ารู้ว่าไปชาติหน้าแน่นอนแล้วลงไปเขาบอกว่เอเอเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็ดู ก็เล่าอีกฟังว่าเวลาไปลงในอเวจีเนี่ยเวลาตกในอเวจีนร่างกายของสัตว์ในโลกเนี่ยมีประมาณ4ีคาวุฒิสคาวุฒเนี่ยประมาณประมาณเท่าไหร่ดีสกิโลเมตรประมาณถ้าจําไม่ผิดนีเรืม่มประมาณหนึ่งคาวุธมันก็เท่ากับ อ, อ สี่กิโลเอ้ยไม่สี่กิโลวะไม่แน่ใจตัวเนี้ยคือตัวใหญ่มากอ่ะสัตว์นรกเนี่ยเออทาไมสัตว์นรกจรึงตัวใหญ่ใช่ไหมเพราะถ้าตัวใหญ่เนี่ยร่างกายใหญ่เนี่ยเวลาเป็นนอนทับ ก, กับแผ่นเหล็กที่ร้อนเนี่ยมันจะได้เจ็บปวดนานเวลาเวลาความร้อนใช่ไหมความร้อนมันถูกถ้าใครมีร่างกายใหญ่กายยบวิญญาณกายยประสาทมันก็มีมาก จะได้รองรับความเจ็บปวดได้เยอะแล้วลุกก็ลุกไม่ได้เนะี่ยต้องโดนเหล็กเท่าขนาดลำตานเสียบหลายจุดเลยวนั่นงั้นถ้าอ่านในสูตรเนี้ยนะถ้าอ่านในสูตร น, นะ น, น, ตรนี้ถ้ากำลังใจไม่ดีในใจเสียเลยอ่านโอ้ใจเสียอานแล้วโอ้ทำไมเล่นกันขนาดนี้อะไรนึกเนี่ยบอกโอ้โหแรงมากเวลาเห็นคนทำกรรมชั่วแล้วก็นึกแล้วโอ้ ทำไมต้องเบียดเบียนตัวเองขนาดนั้นยังกำลังใจรู้ได้ในคราวที่มีอันตรายนะส่วนปัญญาจะรู้ได้โดยการสนทนาก็ปัญญานั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการนานต้องครบกันนานๆนะไม่ใช่โดยการเล็กน้อยผู้สนใจจึงจะรู้ได้ผู้มีปัญญารู้ได้ผู้มีปัญญาสามก็ไม่รู้ทั้งๆที่ทพระองค์ตรัสไว้แล้วก็ไม่ใช่จะง่ายที่จะรู้ต้องอาศัยเวลานานต้องเป็นผู้สนใจและต้องมีปัญญ เมื่อศึกษาเราจะต้องมั่นฟังธรรมศึกษาธรรมเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ น, นว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างไรถ้าตัวเราไม่รู้จกักศีลไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักปัญญาเนี่ยเราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนมีศีลคนไหนมีสมาธิคนไหนมีปัญญา ถ้าเรารู้สิว่าศีลคืออะไรสมาธิปั ญ, ญคืออะไรปัญญาคืออะไรใช่ไหมการที่เราจะดูได้ว่าโอ้คนนั้นมีศีล ค, คนนี้มีสมาธิคนนั้นมีปัญญาเราก็สามารถที่จะตัดสินได้ในตอนท้ายของชติ น, นสูตรชตินสูตรมีพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าคนผู้เกิดมาดี ไม่ควรไว้วางใจเพราะมีผิวพรร์และรูปร่างไม่ควรไว้วางใจเพราะการเห็นกันเพียงครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สำรวมทั้งหลายท่องเที่ยวไปในโลกนี้ด้วยเครื่องบริขารของเรานักบวชผู้สำรวมดีแล้วประดุจกุนทนดินและก็มาสกโลหะหุ้มด้วยทองปลอมไว้คนทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ภายใน งามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยวิโรานท่องเที่ยวอยู่ในโลกแดยตรงนี้คืออย่างนี้นะพระดำหลัดของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงว่าโดยเฉพาะในสมัยเนี้ยเราจึงไม่ควรไว้วางใจคบหาสมาคมกันเพียงรูปร่างหน้าตาผิวพรรณหรือเครื่องแต่งกายก็ว่าหรือเห็นเพียงคู่เดียวเนะี่ยท่านึงสอนให้มองกันนานๆนะแล้วก็ตรึกถึงคุณความดีนะเป็นต้นเหล่านั้นนะ ทีนี้การที่เราได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็จะทําให้เราสามารถที่การให้ทำการพระพุทธเจ้าตรัสตัวว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์เมื่อฟังธรรมเหล่านี้เราจะสามารถที่จะมองอะไรออกว่างั้นมองอะไรออกพระพุทธเจ้าตรัสอยู่คำหนึ่งว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเยตมังกลมุตตะมังที่เคยศึกษากัน การสนทนาธรรมตามการเป็นอุดมบวงคลคือเป็นเหตุให้เกิดความเจริญในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เคยตัดสอนภิกษุให้สนทนาธรรมในที่ประชุมกันอยู่มิฉะนั้นก็ให้นิ่งบอกว่าถ้าเจอกันให้ฟังธรรมเป็นต้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสอนุตติยะไว้ในอนุตติยะสูตรบอกบอกว่าทัศนานุตติยะการเห็นที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งสวนานุตติยะการฟังที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่ง ลาพานุตริยาการได้ที่เยี่ยมอย่างหนึง่งศึกานุตริยาการศึกษาที่เยี่ยมอย่างหนึง่งปาริจริยานุจริยาการบำรุงที่เยี่ยมแล้วก็อนุสตานุจริยาการระลึกที่เยี่ยมแล้วก็ตรัดไปทีละอย่างบอกว่าทัศนานตริยเนี่ยการเห็นที่เยี่ยมนั้นคือการเห็นเนี่ยอะการเห็นเยี่ยมพระผู้มียภาคเจ้าตรัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อจะดูช้างมา ดูช้างบ้างมาแก้วบ้างแก้วมณีบ้างของใหญ่ของโตเป็นต้นเหล่านี้นะหรือเห็นสมณะเห็นพรามเห็นผู้ปฏิบัติดูก่อนภิกษุทั้งหลายทัศนะนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศนะนั้นแหลเป็นเป็นกิจที่เลวเนะี่เป็นของชาวบ้านเป็นของผูดูชนไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็คือไม่ประกอบด้ประโยชน์3นะเช่นเราบอกว่าไปดูช้างไปดูหมาไปดูสวนสัตว์ไปดูสว น, นสนุกอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนีกิจเหล่านั้นมีไม่มีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ประกอบไปได้วยประโยชน์ไม่เป็นโดยเฉพาะไม่ขับเน้นในเรื่องของไม่เป็นไปเพื่อปรมัตถประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความระ ง, งับเพื่อตัสรู้และเพื่อพระนิพพาน ดูยังไงก็ไม่ไม่ตัดสุขุไม่เบื่อหน่ายเลยนะยิ่งดูยิ่งติดใช่ไหมเช่นเราจะไปดูก็แข่งขันการว่า้น้ำอย่งนี้ดูอยู่หรือไปดูกีฬาเนี่ยสนุกกันตลอดเช้าตลอดเย็นเนี่ยน ะ, ะคนนั้นไปคนนี้มาอย่างนี้ลยไม่เบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนจะทําไมเราต้องไปดูเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายทําไมเป็นอย่างนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักที่ตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมไปเพื่อเห็นพระธรรมคตหรือสาวกของพระธรรมคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายปกติเนีสัตว์มีเศร้าหมองโดยกิเลสมีราคะโทสะโมหะมานาทิฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนตบา่าและอุทธะจอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความล่ําไลลําพันธ์เพื่อดับศูนย์ไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุเยยธรรมบรรลุอริ ย, ายามรรคเน่ยเพื่อกระทําพระนิพพานให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักที่ตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในมีความเลื่อมใส ย, ยิ่ง ไปเห็นพัฒถาคตรหรือสาวกของพระผู้มีพระเจ้าอันนี้เรียกว่าทัศนานุตริย์จะอธิบายตรงนี้หน่อยนะคำว่าอนุตริยะเนี่ยได้แก่สิ่งที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าอนุตริยะไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่านั้นก็คือได้แก่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะเราก็ต้องมาถามในใจเราบอกว่าอะไรล่ะที่ปรากฏในใจเราเราคิดในใจเราว่ามันยอดเยี่ยมที่สุดในโลกย ใช่ไหมถ้าหากว่าว่าอนุตริยะคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมเนี่ยในทัศนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกการเห็นว่าพุทธเจ้าการเห็นสาวกของพุทธเจ้านีย่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็บอกทัศนานุตริยะนั้นได้แก่การเห็นอันยอดเยี่ยมทัศนะได้แก่การเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเห็นอะไรก็ตามไม่ประเสริฐไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเท่ากับการเห็นตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต เออทำไมการเห็นพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตนี่จึงประเสริฐที่สุดท่านบอกว่าเพราะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสของสัตว์ทั้งหลายผู้ที่เห็นพระองค์หรือเห็นสาวกของพระองค์แล้วเนี่ยย่อมบรรลุเยียธรรมคือพระนิพพานได้ในที่สุดดังที่ท่านภวัคะลีผู้เลื่อมใสเพราะการเห็นพระรูปของพระบรมศาสดาก็ได้ประสบความสาเร็จมาแล้วและจะบรรลุเป็นพระฐันในที่สุด แล้วก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ฉะนั้นการเห็นพระองค์เพียงอย่างเดียวพาไปถึงการเห็นธรรมะของพระองค์ด้วยเพราะเหตุ น, นั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมนั่นแหละจึงชื่อว่าเห็นพระองค์อย่างแท้จริงเมื่อแสดงมงคล38แก่เทวดาผู้มาทูลถามก็ยังทรงสแสดงว่าการเห็นสัมมาทั้งหลายเป็นอุดมมงคลอย่างนี้เป็นต้น ถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะรู้นะคำว่าอนุตตริยะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าประการแรกก็คือการเห็นพระพุทธเจ้าและเห็นสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนประการที่สองสวรานุตตริยะการฟังที่เยี่ยมพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกองบ้างเคยไปฟังไหมเสียงพินบ้าง เสียงเพลงขับบ้างเสียงสูงสูงต่ำตๆ ำ, ตำมั่งมาโดฟังอย่างเดียวก็ว่าร้องด้วยอะไรเงี้ยนะยังร้องอยู่หรือเปล่าเวลาทุกทุกใจคลุ้มๆมใจยังยังไม่เป็นสวนานุตตะยา ย, ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของส ม, มณะหรือพรา์ผู้เห็นผิด อันดีไปฟังก็ไปฟังเรื่องผิดผิดได้เนะียเช่นไปฟังก็พูดตลกตลกกันง่ายเนะีฟังแล้วเช่นบางคนเครียดถึงขนาดโอ้บางอย่างถึงขนาดจ้างตลกมาสแสดงให้ดูก็ถามว่าอะไรแกเครียดใครครยดอย่างนี้ไม่เป็นถ้าไม่เป็นสวนาดนุตรีย่ดูก่อนพิกษุนทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เรากล่าวว่าไม่ได้ไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้เป็นกิจเลวเนะี่ย คำวาเร็วดยนั้นแปลว่าต่ำซ้ำก็ว่เราบอกถ้าเราจะฟังสิงเหล่านี้เราก็นึกในใจว่าพุทธเจ้าบอกเป็นกิจเร็วเป็นการงานที่เร็วแล้วก็นึกถึงว่าพุทธเจ้าว่าอยู่างนี้ว่าเป็นกิจที่เร็วเป็นการงานที่ต่ําไม่ใช่สวรรค์เป็นของชาวบ้านเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนคนมีกิเลสหนาอ่ะไหว่าเป็นงั้นเลยไม่ดี ไม่ดีเนยทำให้จิตตกต่อเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวถึงเ็เห็นคนคนหนึ่งนะชอบฟังเพลงมากพอพอป่วยแล้วเกิดต่อมาหลงพอหลงไบใส่ก็ร้องลาททำเพลงอยู่ในร้องร้องบางกโกรธเขาบ้างด่าก็าบ้างคนคนดูแลก็ลำบากแค่นั้นยังไม่พอเนยไม่รู้เวรกรรมอะไรเรายังโทรให้เราฟังซะอีกแม่ บอกอาจารย์ลองฟังดูทีนี่ทางผ้าเดือดร้อนอนี่ขนะดผ้าอย๊ะยังเดือดร้อนต้องมาฟังเลยเสียงด่าบางเสียงร้องเพล ง, งบา ง, งก็หลงไค่เนี่ยเห็นไหมโทษของการโทษของการไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อใครและลองคิดดูนะถ้าตนเองต้องเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ กำใครก็กำใครแต่เนี่ยพอไปถึงตอนนั้นขึ้นมาก็เนี่ยมีอยู่ลายอยู่ที่โรงพย า, oh. าบาลเมื่อวานก็มาเล่าให้ฟังแม่คนในตารอบข้างจะถึงเราอยู่แล้วเราบอกว่าเธ อ, อหมดแล้วยำใครไม่ได้แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็เคยสอนแนะนําตลอดนั่นแหละเคยเตือนเคยอะไรต่างๆไปไปมาก็พอใกล้พอป่วยก็หนักไม่มีอะไรดูแต่โทรทัศน์ก็่านนั้นเอง แตนี้เพอ้อเป็นโทรทัศน์หมดเลยเนี่ยเพอ้อเป็นมีจำชื่ออาจารย์ได้อยู่คนเดียวน า, นานเรียกอาจารย์ทีก็บ่กงั้นบอกเออใครไปถามก็บอกยังจำใครไม่ได้แล้วก็บอกนัจำจำใครได้บ้างบอกมีจำอาจารย์ได้อยู่คนเดียวนอกนั้นก็เพอ้อไปตัวบอกโอ้เมื่อยแนะนำคือตรงนี้เป็นอันตรายฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเป็นกิจของชาวบ้านเป็นของบุรุชนไม่ประเสริ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์สามเลยไม่ประกอบด้วยทิฏฐาธรรมิกาทบประโยชน์สัมป ร, ราญิกาทบประโยชน์และประมัตทประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ในภพนี้ด้วยไม่ ป, ประโยชน์ในภพนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะการที่ไปเพื่อเพลินฟังโน้นฟังนี้เนี่ยประโยชน์ในภพนี้ก็ไม่ได้เสนะียประโยชน์หมดเช่นว่าจะไปเที่ยวกลางคืนฟังพวกเนี้ยประโยชน์ในภพหน้าเอ๋อใช่ไหมก็ไม่ได้ ประโยชน์อย่างยิ่งคือความสิ้นทุกยิ่งไม่ต้องพูดถึงชื่อหมดเลยมันเสียทั้งสามประโยชน์น่ะประโยชน์ในปัจจุบันก็เสียประโยชน์ในภพหน้าก็เสียประโยชน์อย่างยิ่งก็เสียอธทํายทั้งทำไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความระ ง, งับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้แล้วไม่เป็นไปเพื่ออริยนิพพานดูก่อนพิกษุน์ทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นนะ มีความรักที่ตั้งมั่นมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งย่อมไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตเอยอย่างนี้น่าฟังเน อ, อย่างนี้ดีหรือไปฟังทไปฟังจากสาวกของพระตถาคตการฟังธรรมนี้ยอดเยี่ยมกว่า ก, า, การฟังทั้งหลายฉะนั้นการฟังธรรมมากเนี่ยการฟังวาสตธรรมนี่นะยอดเยี่ยมกว่าการฟังที่สุดในโลกเราไปเทียบเด้อ แต่มันคนละอย่างกันนะฟังแล้วชอบหรือไม่ชอบเนี่ยต้องแยกให้ออกนะสิ่งที่ยอดเยี่ยมเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมใช่คือสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยแต่ว่าเราฟังแล้วมันไม่ดีนักลบเนี่ยเวลาเขาไปออกลบเนี่ยถ้าเขาเหนื่อยนะนี่ยเขาก็กลับเข้าค่ายเออเขากลับเข้าค่ายเดืดเสร็จแล้วเขาก็มากินอาหารมาพักพอมีแรงเขาก็ลบต่อ การที่เราไปฟังธรรมมาเหมือนเราตรึกวิปัสนาเหมือนเจริญวิปัสนาเราใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาเวลาใช้มากๆแล้วเนี่ยมันมั น, ม, นมันอาจจะทุกอย่างนั้นจริงพราะอย่างนั้นเราก็ต้องหยุดสักพักหนึ่งหยุดก็ต้องตรึกทําจิตให้เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเบเสร็จแล้วก็ฟังต่อเอเขาทําอย่างนี้ไม่ใช่ไปฟัป ง, องอย่างอื่นอย่างนี้เขาเรียกไม่ยอมหยุดลบแพ้อะไรก็แพ้พอไปเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็ไปทําให้กิเลสเข้าในจิต ก็าจะไปต่างอะไรกับการที่เราแก้ปัญหากันนะเราโกรธขึ้นมาแล้วก็ไปหาฟังเพลงดูหนังเราเครียดขึ้นมามันจะไปโดยต่างอะไรไปเที่ยวทะเลบ้างไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไผ่บ้างเที่ยวสวนสัตว์บ้างเออทําให้โล่งๆวันนี้ขี้แยอย่างนั้นไม่มีอะไรใช่ั้มก็ไม่ต่างกันเลยอย่างนั้นพอพูดเขาบเดี๋ยวต้องกลับไปเอาใหม่แล้ว ฉะนั้นการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะแต่ความโศกกับปริเทวะนี่คนละอย่างกันนะถ้าปริเทวะนี่การบ่นเพื่อเพื่อความดับสูญไปแห่งทุกข์กายและก็โทมนัตคือความทุกข์ใจเพื่อบรรลุใยยธรรมยยธรรมนั้นคือบรรลุอริยมรรคเพื่อกระทําให้แก้งซึ่งพระนิพพาน นิพพานนัสสะสัจิกิริยายาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักที่ตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าสวนานุตริยะเออจากพุทธดํารมหลักเนี่ยทราบว่าการฟังธรรมนั้นน่ยถ้าเป็นการฟังธรรมนอกจากศาสนาของพระพุทธเจ้านี่นะหรือฟังผู้ปฏิบัติผิด พระองค์ไม่ตรัสว่าเป็นการฟังที่ยอดเยี่ยมเพราะนำพาให้หลงผิดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ควรจะเลือกฟังสิ่งที่มีประโยชน์เป็นไปเพื่อความสงบระงับดับกิเลสเนเป็นธรรมของพระพุทธองค์จึงจะสมควรถ้าการฟังธรรมของพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าการฟังธรรมที่ไม่ใช่คาสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นจกเสียหายแลยทีนี้เ้ถามบอกว่า ธรรมะที่เราฟังนั้นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องเอาหลักตัดสินพระธรรมวินัยในอัทธกานิบาตสันธานวัชสังขิตเตาสูตรที่บอกว่าธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่ใช่เป็นไปเพื่อคลายกำหนับธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อประกอบไว้ไม่เป็นไปเพื่อภาคสัตว์ออก ทำเราใดเป็นไปเพื่อสั่งสมกิเลสไม่เป็นไปเพื่อสั่งไม่สั่งสมกิเลสทำเราใดเป็นไปเพื่อความมักมากไม่เป็นไปเพื่อความมักน้อยทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษทำเราใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีได้หมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัดทำเราใดเป็นไปเพื่อความเกียดค้านไม่ได้เป็นไปเพื่อปารบความเพียน ทำเราใดเป็นไปเพราะความเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพราะความเลี้ยงง่ายทำทั้งแปดประการนี้ไม่ใยทำไม่ใช่วิในไม่ใช่คําสอนของพระศาสนาถ้าฟังนี้รู้ทันดิลำดับแรกก็คือว่าเอ๊พูดไปไม่คลายความกําหนัดเลยทําให้เราเกิดความลักเกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินกว่าความลหลงไหลได้ปลืมอันนี้ไม่ใช่คําสอนแล้วหลีกนีมั้งหรือว่าฟังปุ๊บจะทำให้เราติดอยู่นั่นเนี่ย ติดอยู่ในภพติดอยู่ในภูมไม่พากจิตออกจากภพภูมิอันนี้ก็ไม่ใช่หรือทําไปแต่ก่อนโลภะก็ในน้อยแต่พอยิ่งฟังไปโลภะก็เพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ใช่แล้วหรือมากๆาในนะี้โอแล้วกลายเป็นคนโลภมากเลยบอกเป็นคนต้องอย่าไปเสียเปรียบคนแล้วอยา้ยนะคบกับใครเอามากมากก็แหว่งเนี่ยเสียหรือว่าไม่สันโดดเลยหรือว่าไม่สอนให้ ละกความครุกคลีไม่สอนให้อยู่สงัดอันนั้นก็ไม่ใช่คำสอนเป็นต้นก็พิจารณาได้ในลักษณะอย่างนั้นนะประการที่สามลาพานุตรยาการได้ที่ยอดเยี่ยมเออการได้อะไรคือการได้ที่ยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้างได้บุตรเนี่ได้ลาบคือทรัพย์บ้างภรรยาบ้าง มากบางน้อยบ้างนี่นะหรือได้ศรัทธาในสมณะพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนวิกษร์ทั้งหลายลาบนี้มีอยู่เรากล่าวว่าไม่ใช่ไม่มีก็แต่ว่าลาบนั้นนะเป็นกิจของเลวเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนนะเออถ้าเราได้บุตรได้ภรรยานี่นะได้เงินทองเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้ไม่ประเสริฐเพราพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่ประเสริฐนะ สมมติโอ้โหคนบางคนโชคดีนะว่างั้นนะเกิดมามีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยเนี่ยอันนี้ไม่ดีเพราะว่าไม่จัดว่าเป็นละเป็นลาวที่ประเสริฐอต่ทำไมจึงไม่เป็นลาวที่ประเสริฐเป็นกิจที่เลวด้วยเป็นของชาวบ้านแล้วก็เป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบได้ประโยชน์นะถามมีสิ่งเหล่านี้ทุกไหมโอ้โลําบริหารแทบแย่เลย ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกําหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเป็นต้นเหล่านี้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักที่ตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตได้นั้นยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญไปแห่งทุกข์และโทม น, นั่น เพื่อบรุษอยธรรมเพื่อทำพระนิพพาในให้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักที่ตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้เรียกว่าเป็นลาภานุตริยะการได้ราบใดๆที่เราได้กันได้กันทุกวันเนี้ยแม้การได้ศรัทธาในผู้เห็นผิดประพฤติผิดพระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าเป็นการได้อย่างยอดเดียว การได้ทรัพย์คือศรัทธาความเลื่อมใสในพระตถาคตและสาวกของพระธรรมคตที่ตรัสว่าการได้ที่ยอดเยี่ยมหรือการได้บูชาพระรัตนตรนัยนันั้นการมีศรัทธาในพระองค์ในสาวกของพระองค์เพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ได้อริยทรัพย์เจประการซั์คือศรัทธาอันเป็นอริยทรัพย์ข้อแรกแล้วเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์คือศีลคือการ มีกายวาจาที่เรียบร้อยได้หิริคือความละอายบาปได้โอตะปากคือความเกรงกลัวต่อบาปได้พู้หุสัจจก์การศึกษาเล่าเรียนการสดับตรับฟังมากได้จาคะก็คือการสละแบ่งปันแก่ผู้อื่นได้ปัญญาก็คือรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดควร ป, ประพฤติไม่ควรประพฤติอริยทรัพย์ทั้งเจประการเนี่ยทำให้เราร่วงจากทุกข์ทั้งมวลได้ถ้าเราได้อริยทรัพย์เหล่านี้เนี่ยเราไม่ยากจนนะ เขาเรียกว่าไม่ใช่ทุกขตาถ้าหากไม่มีอริยทรัพย์เนี่ยเขาเรียกทุกขตะเข็นใจเนี่ยโอ้พวกทุกขตามาแล้วอะไเงี้ยงะนั้นทุกขตาในสายตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีขอทานมาเลยเนะอย่างเช่นสุปปาพุทธกุฏิอ่ะเป็นโลกเรื้อนเนีย่ยขอทานด้วยแต่ต่อมาได้อริยทรัพย์พุทธเจ้าบอกเนี่ยไม่ใช่ทุกขตานี่เศรษฐีนเนี่ยเศรษฐีไม่อยากจน ศิขานุตริยการศึกษาที่เยี่ยมการศึกษาที่เยี่ยมพระพุทธเจ้าแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างเออบางคนศึกษาเกี่ยวกับช้างม้ารถธนูแล้วก็ดาบการศึกษาศิลปะชั้นสูงสุดชั้นต่ําย่อมศึกษาในสมณนพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิดปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการศึกษามีอยู่เรากล่าวว่าไม่ใช่ไม่มีนะ ก็แต่ว่าการศึกษาเหล่านั้นเป็นการศึกษาที่เลวเป็นกิจของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดัดดับเพื่อระ ง, งับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดจารุเพื่อพระภิพาณจะมีเยอะแยนะในการศึกษาลักษณะเนี้บางคนลงทุนกันอย่างมากมากเลยนะบางคนบินมาจากต่างประเทศเลยนะเขามาศึกษาเขามาอยู่กับช้างที่ที่ลําปางเขามีที่ที่เลี้ยงช้างอยู่ ว่าเป็นชาวต่างประเทศดนะ้วยเนี่ยตอนนั้นเวลาไปเขาก็เออแวะแวะดูบอกโอ้เนี่ยเขาลงทุนยังขนาดนี้เลยนะลงทุนมาอยู่กันเป็นสิบสิ บ, สบปีบางคนนี่เขาศึกษาเรื่องช้างบางคนก็ศึกษาเรื่องมา้าบางคนก็ศึกษาเรื่องรถเรื่องรถออกมาจ้งางนะเปลี่ยนยี่ห้อเรนะืนะ่อยเละรถเน่ยทั้งเกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนน้ํามันจะหมดโลกอยู่แล้วจะนี้เรื่องรถเริ่มจะวุ่นกันแล้วนี การศึกษาที่มันไม่ดีจริงเป็นแบบนี้นักเข้านักเข้าก็เริ่มแย่งแย่งผลประโยชน์กันแล้วเดินแย่งผลประโยชน์นี้นี่เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเขาเขาศึกษาผิดกันศึกษาผิดนี่พอศึกษาอย่างนี้ก็มันก็มันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยนะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น พระเจ้ากล่าวศรัทธาเป็นอันดับแรกมีความรักที่ตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวย่อมศึกษาในอาทิศีลบ้างศึกษาศีลทั้งหมดเลยเอาศีลในวินัยญาปีดอกมีแค่ไหนก็เอามาอา่านมาศึกษาเนี่ยศึกษาในทิศศีลเนี่ยนะแล้วในอาทิ จ, จิตบ้างอในพระสูตรเนี่ยนะเช่นในทีคณิกาย34สูตรก็เอามาศึกษาทั้งหมดใน ม, ชมัชฌิมนิกายร้อยกว่าสูตร ในคัมภีร์สั่งยุตานิกายก็เ0็ดกันกสูตรเนี่ยอังคุตรนิกายเก้ 7, าพันกสูตรเนี่ยเอ า, ย 9, ามาศึกษากมดแหละหรือขุตการนิกายอีกไม่นับนี่นี่มาศึกษาสมาธิส่วนอธิปัญญาศึกษาศึกษาในที่ปัญญาอภิธรรมปิดกเนี่ยสี่หมื่นสองพันธฐมอรเนี่ยเอามาศึกษาหมดในพระธรรมวินัยที่รพระธรรมคตประกาศแล้วการศึกษานั้นยอดเยี่ยมกับการศึกษาทั้งหลาย โดยก่อนภิกษจ์ทั้งหลายการศึกษามีอยู่เรากล่าวว่าไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าหากว่าใครศึกษาทิศีลในพระธรรมวินัยนี้ที่พระพุทธตถาคตประกาศแล้วการศึกษานั้นยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งเราสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวร่วงความโศกและปริเทวะเออถ้าเราศึกษาอันนี้นะเนี่ยในปัจจุบันมันมันต้องเชิญชวนอย่างนี้บอกว่าเออปัจจุบันเนี่ยเรามี เราไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมกิเลสเนี่ยเราฝังแน่นในกระแสจิตเราเนี่ยมากมายเหลือเกินเนี่ยแต่ถ้าเราศึกษาอย่างเนี้ต่อไปจะเป็นไปเพื่อความก้าวล่วงหรือเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์แล้วก็นึกในใจว่าเออถ้าเราศึกษาอย่างอื่นมันไม่บริสุทธิ์นี่มันไม่บริสุทธิมม์มันไม่หมดจดจากกิเลสแต่ถ้าศึกษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆเมื่อศรัทธาเราตั้งมั่นแก่กล้าเมื่อไรแล้วเนี่ย เรานำคำสอนไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเราก็จะสามารถที่จะขจัดกิเลสออกจากใจได้อย่างนี้ประการต่อมาคือพ่อก้าวล่วงความโศกแล้วก็ปริเทวะเราก็มานั่งนึกในใจใช่ถ้าเราศึกษาอย่างอื่นเนี่ยเราโศกแน่นอนเราโศกและเราก็บ่นเพ้อเนี่ยเดี๋ยวไม่บ่นเพ้อชาตินี้ก็ชาติไหนจนได้แล้วก็ความทุกข์กายและความโทมนัสใจ เราก็บอกเอ๊ะเราต้องการจะบรรลใุใหญ่